เสียงงานหนังสือยอดปรารถนาของมนุษย์พุทธทาสภิขุปะธรรมโกสาจารย์เงื่อมอินทปัญโยอ่านโดยอริยคุณชมรมผลดีจัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดยนฤรึมลตั้งสกุลภัยสารแนะนำเนื้อหาจากผู้บันทึกเสียงยอดปรารถนาของมนุษย์เป็นคำอธิบายถึงความหลงผิดในการใช้ชีวิตและให้เข้าใจว่า สิ่งดีที่สุดที่มนุษย์ควรเข้าถึงให้ได้ในชาตินี้ก่อนตายคืออะไรขอสรุปหัวข้อและสาระสำคัญเบื้องต้นให้ฟังก่อนดังนี้นะครับวัตถุนิยมความสุขทางโลกไม่ทำให้ถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรได้การอยู่การได้กับความตายหรือการเสียไปสองอย่างคือทางกายและทางจิตหรือวิญญาณ สิ่งที่ทําให้มนุษย์ต่างจากสัตว์คือธรรมะเท่านั้นมนุษย์ควรได้สุขทั้งสิ่งของที่มีในโลกและของที่อยู่เหนือโลกโลกุตระธรรมสภาวะเหนือโลกพ้นโลกช่วยให้อยู่ในโลกได้ไม่เร่าร้อนไม่เป็นทุกข์เพื่อเสพสุขใช้ชีวิตทั้งโลกด้วยชัยชนะเหนือโลกเหนือทุกภัยโลกุตระสอนและนํามาใช้ได้แม้แต่เด็กเล็ก ไม่ใช่ต้องตัดขาดโลกหรือความสุขทางโลกภาวะเหนือโลกคือจิตว่างจากความเห็นแก่ตัวสติปัญญากับความว่างเป็นอันเดียวกันสุญญาตาคือการว่างจากตัวตนไม่ใช่จิตว่างยังไม่มีอะไรพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือรู้อะไรตามเป็นจริง และตื่นจากกิเลสจิตจึงเบิกบานผ่องใสด้วยความไร้กิเลสร่างกายเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโลกแต่จิตต้องอบรมให้รู้สึกเหนือโลกภาวะเหนือโลกทำให้เกิดความสงบทั้งกายใจเป็นที่น่าปรารถนาหรือยอดปรารถนาที่ดีที่สุดของมนุษย์เป็นสิ่งที่กล้าท้าให้มาพิสูจน์ด้วยการศึกษาให้เข้าใจ สิ่งเหนือโลกความสุขชนิดอื่นที่มีอยู่จริงแต่เราไม่รู้จักอย่าพึ่งปฏิเสธตัวอย่างนิทานเรื่องลูกออดปฏิเสธเรื่องโลกบนบกที่แม่กบเล่าให้ฟังยอมรับแค่โลกในน้ำเท่านั้นว่ามีจริงหาว่า ง, งมงายโกหกจนกว่าจะโตเป็นกบและขึ้นบกได้เองจึงยอมรับว่ามีจริงความรู้คุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ถูกทำลายลงได้ง่ายด้วยหมู่คนผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิที่ไม่รู้จักและไม่ยอมรับในภาวะเหนือโลกว่ามีอยู่จริงยอดปรารถนาของมนุษย์ต้องเป็นเรื่องไม่มีทุกข์คือไม่ใช่แค่สุขทางกายแต่ต้องเป็นเรื่องในทางจิตที่สะอาดสว่างสงบไม่มีทุกข์ไม่อย่างนั้นก็ไม่ต่างกับสัตว์ที่เสพสุขทางกายและไม่เท่าไหร่ก็ตายไป เราต้องรู้จักตั้งตัวอยู่ในชีวิตนี้ให้มีการงานที่ดีและเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยพร้อมกันไปในตัวการงานหรือการดําเนินชีวิตที่ดีคือที่เป็นไปเพื่อควบคุมตัวเองไม่ให้เห็นแก่ตัวไม่ให้จิตวุน่นจิตประกอบอยู่ด้วยสติปัญญาชนิดที่ตรงตามแบบของธรรมะหรือของศาสนาการปฏิบัติธรรม ด้วยการมีชีวิตประจำวันชนิดที่ทำลายความเห็นแก่ตัวให้มีจิตว่างจากความเห็นแก่ตัวอยู่เสมอเป็นวิปัสสนาอย่างแท้จริงอยู่ในตัวมันเองไม่ต้องวิ่งไปหาที่สงบแต่ทำได้ทุกคนทุกแห่งให้ทำอยู่ในตัวการงานเป็นประจำวันทำอะไรด้วยจิตว่างจิตว่างแบบพุทธไม่ใช่ว่างแบบไม่มีอะไรทำอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ แต่คือว่างจากความมีตัวเราซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาความเห็นแก่ตัวความอยากได้อยากมีเพื่อตัวเราพึงรู้จักหัวใจธรรมะเพื่อปฏิบัติได้เป็นประจำคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูหรือของกูเพื่อความไม่เห็นแก่ตนใจจึงอิสระจากกิเลสเกิดปัญญารู้ว่าอะไรควรไม่ควร ไม่เกิดการเบียดเบียนตนและผู้อื่นจิตว่างจากกิเลสความยึดมั่นถือมั่นแม้อ่านหนังสือสอบก็เข้าใจได้ดีจำได้ง่ายกว่าขณะจิตวุน่นความมุ่งมั่นจะทำให้สำเร็จมีสองประเภททั้งด้วยจิตว่างและจิตวุน่นสมาธิที่จะเอามาใช้ในการศึกษาต้องทำด้วยจิตว่างเท่านั้น จึงจะได้ผลดีที่สุดเหมือนคนยิงปืนยิงธนูก็ต้องยิงด้วยจิตว่างจิตมีสมาธิขณะยิงใจต้องไม่วอกแวกไม่คิดถึงว่ายิงแล้วจะได้รับผลตอบแทนอย่างไรมีสติมุ่งมั่นเพื่อยิงตามวิธีที่ต้องการจะยิงเท่านั้นจิตว่างทำงานสนุกจิตวุ่นการงานเป็นทุกข์ ขอให้พยายามมีชีวิตอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกด้วยจิตว่างจากความรู้สึกว่าตัวกูของกูอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิเศษที่จะให้เราไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดหรือยอดปรารถนาของมนุษย์ในทางฝ่ายจิตหรือฝ่ายวิญญาณที่มนุษย์ควรจะเข้าถึงให้ไดในชาตินี้ก่อนที่จะตายอย่าดูหมิ่นนิทานชาดกว่าเป็นเรื่องไร้าสาระไม่ใช่เรื่องจริง มันเป็นกุสโลบายที่มีขึ้นมาให้จับต้องเรื่องนางมธรรมได้ชัดเพื่อเข้าใจตามได้ง่ายเหมือนเป็นภาชนะเป็นแก้วที่ทำให้เห็นน้ำในแก้วได้เก็บน้ำไว้กินภายหลังได้ถ้าไม่มีแก้วไม่มีเปลือกจะเก็บมันไว้ได้อย่างไรเพียงแต่เวลานำมากินก็อย่ากินภาชนะอย่ากินเปลือกเข้าไปสัตว์พูดได้อย่าไปสนใจมันไม่ใช่สาระสาคัญมันเป็นเปลือกเท่านั้น อุปสรรคที่ทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำอุปมาด้วยนิทานเรื่องน้ำมันผีที่แสดงให้เห็นความหลงผิดงมงายยึดมั่นยึดติดลุ่มลงในการดาเนินชีวิตที่ไม่ได้ทำให้ใจเกิดความสุขหรือพ้นทุกข์ได้จริงรวมความก็คือการควบคุมตัวเองไม่ได้เห็นแต่แก่ตัวเองอยู่เรื่อยไปธรรมะประจาชีวิต คือคารวาศรธรรมสัจจะความจริงใจซื่อตรงธรรมะยอมทนควบคุมตัวเองให้ได้ขันติความอดกลั้นอดทนรอคอยได้และจาคะความสละออกสละความตรณีสละกิเลสเมื่ออาศัยหลักนี้จะทำอะไรได้สำเร็จในทางที่น่าชื่นใจ ควรใส่ใจศึกษาหลักคารวะธรรมให้เข้าใจโดยละเอียดแล้วท่านจะประสบความสำเร็จจะได้รับอุดมคติหรือสภาวะของจิตที่มีค่าให้ได้เสพสุขยังไม่มีทุกข์และให้สุขแท้ได้ยิ่งกว่าสมบัติทางโลกอันเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะได้คือจะมีชีวิตอยู่ยังไม่มีความทุกข์เลยสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้าลูกที่ดีของพ่อแม่ พลเมืองที่ดีของประเทศชาติต้องมีเมตตาและปัญญาอยู่ในจิตใจการขึ้นบกโดยสิ้นเชิงคือได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ดํารงชีวิตอยู่ด้วยการปฏิบัติการงานให้ดีจนกระทั่งเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างสูงทําลายตัวกูของกูอยู่ในตัวเป็นการยิงปืนทีเดียวได้นกตัวใหญ่สองตัวทางโลกก็ได้ ทางธรรมก็ได้ด้วยการทำจริงเพียงอย่างเดียวต่อไปนี้เป็นคำอธิบายโดยละเอียดขอเชิญทุกท่านร่วมศึกษาทำไปพร้อมกันเลยนะครับเสียงานหนังสือยอดปรารถนาของมนุษย์พุทธทาสภิขุ ยอดปรารถนาของมนุษย์จิตวุ่นทำการงานเป็นทุก์จิตว่างทำการงานสนุกไปหมดท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายมนุษย์ปรารถนาอะไรกล่าวอย่างสั้นๆก็คือปรารถนาวัตถุมาเป็นของตัวและขยายเป็นวงกว้างออกไปกระทั่งเป็นการทะเลาะวิวาทกันระหว่างประเทศระหว่างชาติ ระหว่างเครื่องโลกต่อเครื่องโลกหรือระหว่างโลกต่อโลกก็ได้ซึ่งอาจจะมีต่อไปในอนาคตถ้าหากจะมีโลกอื่นซึ่งมีมนุษย์ชนิดนี้อยู่ด้วยเหมือนกันขอให้คิดดูเถิดว่าวัตถุนิยมนั้นจะนําไปสู่อะไรจะนําไปในทิศ ท, ทางใดจะนําไปสู่ยอดสุดหรือที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นี้ได้หรือไม่ วัตถุนิยมไม่ทําให้ถึงสิ่งดีที่สุดที่มนุษย์ควรได้ท่านนักศึกษาทั้งหลายควรจะจดลงไปว่าอะไรอะไรนี้มันมีอยู่สองอย่างคือว่าการอยู่ก็มีอยู่สองชนิดคืออยู่ในทางกายอย่างหนึ่งอยู่ในทางจิตหรืออยู่ในทางธรรมะนี้อย่างหนึ่ง การตายก็มีทั้งสองอย่างการตายทั้งร่างกายและการตายในทางจิตหรือวิญญาณเพราะฉะนั้นการได้การเสียหรือการอะไรทุกๆอย่างก็จะต้องมีสองอย่างเช่นเดียวกันนี่ขอให้จดไว้ว่าการตายก็มีสองอย่างการตายในทางร่างกายก็หมายความว่า ตายแล้วก็เอาไปเผาไปฝังแต่การตายในทางวิญญาณคือตายแล้วตายเล่าตายอยู่ทุกวันวันละหลายครั้งนี้เกิดมาแล้วก็ตายอีกเกิดมาแล้วก็ตายอีกไม่เคยเจริญขึ้นไปถึงสิ่งดีที่สุดหรือเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะเป็นได้เลยแล้วพิจารณาดูเถอะว่าการตายชนิดไหนน่ากลัวกว่ากันเพราะฉะนั้น จึงขอร้องว่าให้จดว่าการตายมีสองอย่างคือการตายทางร่างกายและการตายทางวิญญาณถ้าใครไม่สนใจถึงกับไม่มีกระดาษ จ, จดหรือว่าปากกาหายเพราะเอาไปเสียค่าครูสอน c อก n อ r o ร l ก็สุดแท้ถ้าเป็นเช่นนั้นนั่นก็คือตัวอย่างที่ว่าความตายทางวิญญาณกำลังจะมาถึงแล้วหรือว่าแม้ปากกายังอยู่ แต่ท่านก็ไม่ได้สนใจเรื่องการตายทางวิญญาณท่านก็ได้ตายแล้วเกิดอีกเหมือนกันและการอยู่ทางร่างกายนี้อยู่อย่างที่ร่างกายเป็นอยู่นี้ก็ไม่ดีอะไรไปกว่าสัตว์เพราะมีภาษิตดึกําบันโบราณอานาารว่าอาหารานิธาพยาเมทุนจักสามัญญะเมตตาปสุภินารานังธโมหิเตสังอภิโกวิเศโส ทมเมนาหีนาประสุพิสมานังบางคนคงจะเคยได้ยินสโลกอันนี้ที่แปลว่าการหาอาหารกินก็ดีการรู้จักนอนแสวงสุขจากการนอนก็ดีการกลัวขี้ขลาดหนีภัยก็ดีการประกอบนิเมธุนธรรมก็ดีนี้เสมอกันทั้งคนและสัตว์มีได้ธ ร, รมโมหิเตสังอภิโกวิเศโสธรรมะเท่านั้น ที่ทำให้คนผิดแผกแตกต่างจากสัตว์ทำเมนะหีนาประสูพีสมานาพอเอาธรรมะออกไปเสียแล้วก็เข้าถึงความเป็นสภาวะเสมอกันนั่นคือการตายทางวิญญาณหรือการอยู่ทางวิญญาณมันต่างอย่างไรถ้าเราอยู่โดยไม่มีธรรมะมันก็เท่ากับสัตว์คือคนตายแล้วเหลือแต่สัตว์ ถ้าเราอยู่โดยมีธรรมะก็มีความหมายผิดแผกแตกต่างกันจากสัตว์คือเป็นคนซึ่งหมายถึงมนุษย์แปลาตามตัวก็ต้องแปลว่ามีใจสูงนี้เราพิจารณาดูกันต่อไปว่าการได้ในทางร่างกายทางรูปธรรม ท, ทางวัตถุนี้มันก็ได้เงินได้ชื่อเสียงได้อำนาจวาสนาอะไรเหล่านี้จัดเป็นทางวัตถุหมด แม้จต่ได้สวยสุขในเทวโลกในสวงสวรรค์ถ้าหากจะมีตามที่ได้ยินได้ฟังกันอยู่นั้นก็จัดเป็นการได้ทางวัตถุหมดเพราะว่ามันอาศัยอยู่ที่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสความอริดอร่อยทางเนื้อหนังที่เรียกว่าเป็นเรื่องวัตถุไปหมดต่เมื่อมีธรรมะซึ่งเป็นความเยือกเย็นเป็นความสะอาดสว่างสงบในด้านจิตใจเข้ามาแทรก จึงจะเรียกว่าเป็นการได้ความสุขในทางธรรมหรือทางจิตซึ่งตรงกันข้ามมันมีอยู่เป็นสองอย่างอย่างนี้ท่านอย่าเพิ่งเข้าใจไปว่ามันมีอยู่แต่อย่างเดียวขอให้นักศึกษาทั้งหลายได้เป็นผู้มีเกียรติสมกับที่เป็นนักศึกษาคือว่ารอบรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้ให้ครบถ้วนสิ้นเชิงว่าอะไรมันมีอยู่อย่างไร อย่าเพิ่งหลงระเริงไปหลงว่าอะไรอะไรเราก็รู้หมดแล้วไม่ต้องฟังใครหรือว่ารู้เท่าที่เราประสงค์จะเรียนจะรู้จะสอบให้ได้เสร็จไปนี่พอแล้วแก่การเป็นมนุษย์อย่างนี้อัตมาขอยืนยันว่าไม่พอมนุษย์ควรได้สุขทั้งในและเหนือโลก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 ความสุขอย่างบ้านเรือนเรือนอย่างหลังนี้เรียกว่าความสุขอย่างที่เหนือไปจากเรื่องบ้านเรือนเรือนลองจำไว้อย่างนี้ก็แล้วกันที่นี้มามีปัญหาว่าความสุขที่เหนือไปจากเรื่องบ้านเรือนนี้จำเป็นแก่พวกเราไหมนักศึกษาอาจจะคิดว่าไม่ต้องมีก็ได้ถ้าเรามีความสุขอย่างที่เป็นบ้านเรือนครบถ้วนแล้ว ที่เร า, ารถ้าอย่างนั้นจะต้องตอบหรือบอกไว้ทีก่อนว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วธรรมะไม่จำเป็นพระพุทธเจ้าไม่จำเป็นศา ส, สนาไม่จำเป็นเพราะว่าเรื่องที่จะสแสวงหาอะไรอะไรให้ครบถ้วนอย่างบ้านๆเรื่นๆนั้นเราไม่ต้องอาศัยสติปัญญาของพระพุทธเจ้าเราก็มีใครๆสอนกันอยู่ทุกประเทศในโลกไม่ต้องมีพระพุทธเจ้า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 โล ก, กุตระธรรมช่วยให้อยู่ในโลกได้ไม่เร่าร้อนการที่มีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธศาสนาแล้วก็มีพระธรรมก็เพื่อช่วยให้คนไม่เร่าร้อนคนที่อยู่ในโลกนั่นหละถ้าไม่มีธรรมะเข้ามาช่วยแล้วเขาจะอยู่อย่างเร่าร้อนจะมีเงินก็จะมีอย่างเร่าร้อนจะมีชื่อเสียงเกียรติยศ ก็จะต้องมีอย่างเร่าร้อนจะมีอำนาจวาสนาก็จะมีอย่างเร่าร้อนแต่ถ้าเขาเอาธรรมะตามแบบพระพุทธเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วความเร่าร้อนนั้นจะไม่มีเขาจะมีเงินหรือจะใช้เงินจะมีเกตยศจะมีอำนาจวาสนาหรือจะใช้อำนาจวาสนาโดยวิธีที่ไม่ร้อนเลยเพราะฉะนั้น จึงกล่าวได้ชัดโดยเด็ดขาดลงไปว่าธรรมะนี้มีเพื่อช่วยให้คนอยู่ในโลกโดยไม่ต้องเป็นทุกข์เลยอาจจะมีคนโง่พูดไปผิดๆว่าเรื่องธรรมะแล้วต้องทิ้งโลกหนีเตลิดเปิดเปิงไปอยู่ในป่าจึงจะเป็นเรื่องธรรมะอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ว่าไม่ได้สอนอย่างนี้ไตรจว่าก็ตามใจ แต่พระพุทธเจ้าท่านทรงประสงค์ย่างยิ่งว่าธรรมะนี้จะช่วยให้คนอยู่ในโลกด้วยชัยชนะชัยชนะเหนืออะไรก็เหนือทุกภัยที่จะเกิดขึ้นจากการอยู่ในโลกนั่นเองเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกเราจะต้องทำอะไรบ้างจะต้องเรียนอะไรบ้างจะต้องทำอะไรบ้างจะต้องต่อสู้อย่างไรบ้างก็รู้กันอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าไม่มีธรรมะเข้ามาช่วยแล้วตลอดเวลาเหล่านั้นจะเป็นทุกข์หมดเพราะเราไม่รู้จักปรับระดับจิตใจของเราธรรมะเท่านั้นที่จะเป็นแบบฉบับเป็นแผนที่ปรับระดับที่ทำให้เรารู้จักดาเนินชีวิตแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้ในลักษณะที่อะไรๆจะไม่ทำให้โลกนี้กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาได้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าชนะโลก เป็นอยู่เหนือโลกจึงเรียกว่าโล ก, กุตระคงจะเห็นได้ทันทีว่าโล ก, กุตระนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะตะเตลดิดหนีเข้าไปในป่าในถ้ำตามเขาแล้วไปทําภาวนางิมงําอะไรอยู่อย่างนั้นแต่มันต้องใช้แก่คนทุกคนซึ่งทิทฐิที่จริงนั้นแม้แต่แก่เด็กๆเด็กๆจะต้องรู้จักรับการสอนให้มีจิตใจที่เป็นชัยชนะ ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องหูเราะมากเกินไปเพราะว่าเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรยังถูกต้องและที่จะต้องชนะอย่างยิ่งก็คือชนะการเห็นแก่ตัวการเห็นแก่ตัวนั้นคือเรื่องโลกจัดเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องรู้จักชนะการเห็นแก่ตัวแม้แต่ว่าอิจฉาน้องน้องของตัวเองแท้ๆก็ยังอิจฉาได้นี้เพราะความรู้สึกยางโลกมันรอบงามากเกินไป เราจะต้องสอนให้เด็กๆรู้จักแม้แต่ความรู้สึกให้อยู่เหนืออำนาจความรู้สึกอย่างโลกโลกเช่นการเห็นแก่ตัวจะอิจฉาแม้แต่น้องอย่างนี้ก็เรียกว่าอยู่เหนือความรู้สึกซึ่งเป็นวิสัยโลกตามภาษาโลกเพราะฉะนั้นท่านนักศึกษาควรจะกำหนดลงไปว่ามันมีเรื่องในโลกและเหนือโลก ในโลกก็ต้องเดือดร้อนวุ่นวายระสาประายไปตามราษาโลกแต่ถ้าอยู่เหนือโลกก็จะไม่มีสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นเรื่องตรงกันข้ามคือสะอาดสว่างสงบเยือกเยน็นเต็มไปด้วยสติปัญญาภาวะเหนือโลกคือจิตว่างจากความเห็นแก่ตัว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 ไม่มีใจที่สะอาดสว่างสงบไม่มีความรู้ความตื่นหรือความเบิกบานเสียเลยเราควรจะเข้าใจคำว่า พ, พุทธพุทธะนั้นเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าที่เป็นที่นับถือสูงสุดของเรานั้นคำว่าพุทธนี้แปลว่ารู้ว่าตื่นว่าเบิกบานรู้คือรู้ว่าอะไรเป็นอะไรตามที่เป็นจริงตื่น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 ภาวะเหนือโลกทำให้เกิดความสงบทั้งกายใจภาวะที่เรียกว่าเป็นที่น่าปรารถนาหรือยอดปรารถนานั้นควรจะเป็นเรื่องส่วนร่างกายหรือส่วนจิตใจขอให้ลองคิดดูในทางโลกหรือทางจิตทางฝ่ายร่างกายมันจะมีได้อย่างมากก็เท่าที่กล่าวแล้วคือมีทรัพย์สมบัติอย่างยิ่งใหญ่ แล้วก็มีทรัพ์และมียศมีเกียรติยศอย่างยิ่งแล้วก็มีไมตรีคือมีเพื่อนฝูงห้อมล้อมเป็นบริวารก็ดีนี้อย่างหนึ่งแต่ทั้งหมดนี้ก็ใช้ไปเพียงเพื่อสแสวงหาความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินทางวัตถุทางเนื้อทางหนังมันได้เพียงเท่านั้นไม่สามารถจะหาความสงบอันแท้จริงในทางจิตได้จึงต้องมีเรื่องที่เหนือโลกให้แก่จิตใจ เพื่อจิตใจจะไม่เร่าร้อนแลาจะควบคุมร่างกายนั้นได้นี้เท่าที่เราเรียนกันมาแล้วเท่าที่ทราบกันมาแล้วเราสนใจเรื่องเหนือโลกยังว่านี้กันบ้างหรือเปล่าเราเชื่อว่าเรื่องมรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้านั้นมันจะมีประโยชน์แก่เราหรือไม่บางคนแถมจะเกิดนึกหรือพูดไปว่าเป็นเรื่องหลอกเรื่องไม่มีจริงจริงเป็นไปไม่ได้ เป็นเรื่องพ้นสมัยเป็นเรื่องคลึกระบ้างเรื่องต้องศึกษายังมีอีกอย่าเพิ่งคิดว่ารู้แล้วทีนี้เราลองเปรียบเทียบกันดูว่าสิ่งที่มันมีอยู่แต่เราไม่รู้จักไม่ทราบถึงนั้นเราจะพูดว่ามันไม่มีนี่จะถูกไหม ถึงความสุขชนิดอื่นอีกชนิดหนึ่งซึ่งมันไม่เหมือนกับที่เราเห็นเห็นและวังหวงัหวงกันอยู่นี้มันก็มีอยู่แต่แล้วเราไม่เห็นมองไม่เห็นเข้าใจไม่ได้แล้วเราจะพูดว่ามันไม่มีนี้จะถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ขอให้ท่านนักศึกษาได้เข้าใจทำความเปรียบเทียบให้เข้าใจให้จนได้การเปรียบเทียบโดยอุทาหอ น, นี้ง่ายที่จะเข้าใจ ประหยัดเวลาได้มากเพราะฉะนั้นจึงขอทำความเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยการเปรียบเทียบเหมือนอย่างว่าไอออสนเรื่องหนังสือขอให้คิดดูผู้ที่เคยอ่านหนังสือเรื่องลูกสัตว์มาตั้งแต่เรียนชั้นประถมก็รู้ว่าไอออคืออะไรไอออคือลูกกบที่ยังว่ายอยู่ในน้ำไอออสนี่มันเป็นอย่างไรมันรู้เรื่องบอกไหม ถ้าแม่มันที่เป็นกบแล้วมันเคยไปเที่ยวบนบกแล้วกลับมาบอกไอออสว่าบนบกมีอย่างนั้นอย่างนี้มีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้มันเล่าให้ลูกฟังอย่างนี้ไอออสมันจะรู้สึกอย่างไรนอกจากจะคิดว่าไม่มีอะไรแล้วมันยังจะหาว่าแม่มันเนี่ยพูดโกหกทั้งที่พูดพิรีพิไรชวนขึ้นบกบ่อยๆไอออสมันคงจะด่าแม่ของมันเองนี่เป็นเรื่องของไอออ จะเป็นพ่อออสหรือแม่ออสก็สุดแท้ยิ่งกว่านั้นลองคิดดูว่าแม้แต่ในน้ำคือน้านี้ไอออสรู้จักไหมไอออสว่ายอยู่ในน้ำทั้งวันทั้งคืนนี้ไอออสรู้จักน้ำหรือเปล่านี้เอามาเปรียบเทียบดูกับพวกเราที่ไม่เคยลงไปแช่อยู่ในน้ำเหมือนอย่างกับไอออสนี้เราเรียนเรื่องฟิสิกส์เรื่องเคมีอะไรต่างๆนี้ จนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์พอสมควรแล้วเรารู้จักดีกว่าไอออนี้จริงไหมแล้วเราจะเห็นว่าไอออทั้งที่อยู่ในน้ำมันยังไม่รู้จักแม้แต่น้ำเพราะมันลืมตาขึ้นมาในน้ำและน้ำถึงตาของมันเกินไปนี่นักศึกษาต้องระวังให้ดีว่าอะไรอะไรที่มันถึงตาเกินไปนั้นมันจะไม่เห็นมีคํากล่าวว่าปลาไม่เห็นน้า นี่ถูกที่สุดเลยไปคิดดูเถอะเพราะน้ำมันถึงตาปลาเกินไปทั้งที่ปลาเนี่ยไม่เคยกระพริบตาเลยใครเคยเห็นปลาตัวไหนกระพริบตาบ้างไม่มีแต่แล้วมันก็ยังไม่เห็นน้ำอยู่นั่นเองสมมุติว่านกบ้างแม่นกที่อยู่บนฟ้านี้นกก็ยังไม่เห็นฟ้ายังไม่รู้จักฟ้ายังไม่เข้าใจฟ้าเท่ากับพวกเรา พูดถึงไสเดือนบ้างไสเดือนชัยชอนอยู่ในดินนี้มันเห็นดินไหมหรือว่านอนที่อยู่ในส้วมส้วมอย่างแบบโบราณไม่ใช่ส้วมสมัยนี้ยัเวเยะไปหมดนอนเนี่ยเห็นอุจจระไหมนี่ขอให้ลองคิดดูในลักษณะเช่นนี้เราจะเข้าใจได้ว่าไอออสทั้งที่อยู่ในน้ําก็ยังไม่รู้จักน้ําแล้วทําไมจะรู้จักบกได้ เราผู้อยู่บนโลกซึ่งเปรียบเหมือนกับน้ำนี้เรารู้จักน้ำดีแล้วผลจะความเป็นไอออสดีแล้วหรือเปล่าแล้วเราจะไปรู้จักเหนือโลกอย่างแบบของพระพุทธเจ้าท่านได้อย่างไรแต่แล้วเราจะปฏิเสธว่ามันไม่มีหรืออย่างไรขอให้ลองคิดดูเพราะฉะนั้นเราจะเป็นพ่อออสแม่อส ด, ด้วยหรือเปล่ายอมจะพิจารณาได้ด้วยตนเองไม่ต้องมีใครบอก ข้อสำคัญมันอยู่ที่ว่ามันก็ต้องยอมรับว่าที่แม่บอกว่ามีบกนั้นต้องเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงหมายความว่ามันมีอะไรอะไรที่มันดีกว่าที่เรารู้จักหรือกำลังหวังอยู่เดียวนี้เพราะฉะนั้นขออย่าได้ลงไปเพียงด้านเดียวมีเรื่องที่เป็นเพียงเครื่องเดียวซีกเดียวหรือไม่ถึงซีกซ้กได้ซ้ำไปอย่างนี้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 มันตีราคาไม่ไหวมันเป็นอนาคาัคคะคือว่าเหลือที่จะตีราคาได้ไหวกี่ล้านกี่ร้อยล้านก็ไม่ทราบครูนี้ได้รับเงินเดือนกี่บาทกี่สตางกี่ร้อยกี่พันแล้วถ้าครูคนหนึ่งในโลกนี้ยกวิญญาณของคนในโลกให้สูงขึ้นได้โดยทานองนี้ซึ่งสมมุติว่าร้อยคนเท่านั้นมันก็คิดไม่ไหวแล้วที่ได้รับเงินเดือนกี่บาทกี่สตางนั้น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 ด้วยหวังว่าลูกจะเรียนแล้วไอออก็ไปเที่ยวชุยชายอยู่ที่บางแสนหรืออะไรทำนองนี้นี้เรียกว่าจับบิดามารดาใส่ลงในนรกแทนที่จะยกบิดามารดาขึ้นมาจากนรกการกระทำเช่นกล่าวมานี้เรียกว่าทำลายสถาบันของบิดามารดาอย่างนี้แล้วก็ต้องทำลายสถาบันของหมู่คณะของประเทศชาติของโลก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 หรือว่าทำลายสถาบันของบิดามารดาอย่างที่กล่าวมานี้รอบครวนั้นนับว่ามีบุตรที่ดีคือยกบิดามารดาขึ้นมาจากนรกได้และเขาก็จะเป็นสิทธิ์ที่ดีคือเคารพครูบาอาจารย์ในทณนะที่เป็นยกวิญญาณให้สูงแล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติหรือของโลกได้โดยเต็มเปี่ยมบริสุทธิ์บริบูรณ์และเป็นสาวกที่ดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย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 สว่างสงบเยือกเย็นไม่มีความทุกข์เลย อ, อีกส่วนหนึ่งนั่นแหละคือบกแล้วก็เป็นไอออที่เชื่อแม่ไปก่อนตั้งแต่ยังว่าอยู่ในน้านี้ว่าบกมีละจงตั้งความปรารถนาอย่างแน่วแน่คิดจะขึ้นไปสู่บกให้จงได้เราอย่าให้อยู่ในจำนวนของไอออที่ตายตั้งแต่ยังอยู่ในน้ำขออภัยที่พูดอย่างนี้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 หรือเพียงแต่อยู่ในน้ำต้องไปอยู่บนบกซึ่งหมายถึงเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเพียงความสนุกสนานเพลิดเพลินทางเนื้อทางหนังแต่ต้องเป็นเรื่องในทางจิตทางใจที่สะอาดสว่างสงบเยือกเย็นไม่มีความทุกข์ไม่ต้องร้องไห้แต่ประการใดไม่ต้องถึงกับฆ่าตัวตายหรืออะไรทำนองนี้หรือว่าอยู่ก็อยู่ดยต้องกินยาวระงับประสาทอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าไปรู้แต่เรื่องน้า และหลงไหลในเรื่องน้าอย่างเดียวไม่รู้เรื่องบกซึ่งจะเป็นยาแก้โรคที่เกิดขึ้นเพราะน้านั้นหวังว่านักศึกษาทั้งหลายจะได้นืกคิดเรื่องนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการเป็นอยู่ต่อไปหรือในการศึกษาต่อไปเพราะว่าการศึกษาของเรานั้นจะนำมาซึ่งอะไรนี้เราก็มีข้อที่จะต้องคิดกันต่อไปว่าทำอย่างไรจึงจะขึ้นบกได้ทาอย่างไร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 ที่คอยสูบเลือดสูบเนื้อแล้วก็ทำความดมคารให้คนอื่นไม่มีความงดงามที่ตรงไหนแล้วเล้าไม่เท่าไรก็ตายไม่กี่วันก็ตายหรือว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างปูรู้จักแต่เรื่องดินเรื่องโคลนอยู่แต่เนเรี่ยวเนื้รูมันจะน่าทุเรศสักเท่าไหร่หรือว่าเราจะมีชีวิตอย่างวัวอย่างควายช้างมา้าซึ่งเหนื่อยหนักด้วยการลากแอกลากไถอย่างตึงเครียดอย่างนี้จะเอาไหม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 มันจะเป็นการทำงานและปฏิบัติธรรมอย่างสูงพร้อมกันไปในตัวปฏิบัติธรรมอย่างอื่นไม่มีดีกว่านี้เพราะมันมีแต่มากเกินไปบ้างน้อยเกินไปบ้างชีวิตประจำวันต้องเป็นอยู่ด้วยการปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมด้วยการมีชีวิตประจำวันชนิดที่ทำลายความเห็นแก่ตัวให้มีจิตว่างจากความเห็นแก่ตัวอยู่เสมอนี้เรียกว่าเป็นการอยู่ที่เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวเป็นการปฏิบัติธรรมจริงๆเป็นวิปัสสนาอย่างแท้จริงอยู่ในตัวมันเองและกำลังจะขอบอกแก่ท่านนักศึกษาทั้งหลายว่าวิปัสสนาสูงสุดนั้นไม่ต้องวิ่งไปเข้าป่าธรรม แต่ว่าทําได้ในทุกคนทุกแห่งแต่ที่วิเศษอย่างยิ่งนั้นให้ทําอยู่ในตัวการงานเป็นประจําวันจะเป็นการศึกษาเล่าเรียนอยู่ในชั้นขณะที่กําลังนั่งอยู่ในชั้นฟังเลคเชอร์อยู่ก็ดีจะต้องมีจิตว่างออกจากชั้นก็ต้องมีจิตว่างกลับไปบ้านก็ต้องมีจิตว่างกระทั่งทํางานประจําทุกอย่าง จะกินจะอาบจะถ่ายจะล้างอะไรก็ต้องทำด้วยจิตว่างกลับมาโรงเรียนใหม่อีกก็จิตว่างแล้วก็ว่างอยู่เรื่อยๆไปในการเป็นอยู่ตลอดชีวิตนี่คงจะไม่เข้าใจเรื่องคำว่าจิตว่างมักจะเข้าใจกันไปว่าเมื่อจิตว่างแล้วจะทำอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ได้หรือบางทีคิดว่าจิตว่างแล้ว ต้องตัวแข็งเป็นก้อนหินไปเลยอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ถูกไม่ใช่จิตว่างตามแบบของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนมากเรื่องจิตว่างหรือความว่างว่างที่สุดนั้นคือนิพพานนิพพานนางประมังสูญยังนิพพานคือว่างอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะว่าท่านต้องการให้เราว่างจากความมีตัวเรา ถ้าฟังไม่ถูกก็ต้องพูดใหม่ว่าใหว่างจากความรู้สึกว่ามีตัวเราซึ่งจะเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแต่แก่ตัวเมื่อวางจากความรู้สึกมีตัวเราแล้วจะมีอะไรมันก็มีสติปัญญาความไม่เห็นแก่ตัวความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่แท้นั้นขึ้นชื่อว่าจิตแล้วต้องเป็นสิ่งที่มีสติปัญญาอยู่ในตัวมันเอง แต่เดี๋ยวนี้ความเห็นแก่ตัวมันปิดเสียหมดมันครอบงำหุ้มห่อเสหมดจิตจึงโง่และจิตก็ไม่ว่างจากตัวกลัดกลุ่มไปด้วยตัวเรียกว่าจิตวุ่นเพราะฉะนั้นจําไว้สองคำก็แล้วกันจิตวุ่นกับจิตว่างจิตวุ่นคือจิตที่กำลังกลัดกลุ่มด้วยความเห็นแก่ตัวตัวกูของกูจิตว่างนี้ ไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วมันเป็นตัวของมันเองคือเป็นสติปัญญาอยู่ในตัวมันเองตามธรรมชาติของสิ่งที่เรียกว่าจิตจิตว่างนี้ก็เป็นอันเดียวกับสติปัญญาหรือแสงสว่างหรือพุท ธ, ธะหรือธรรมะเสมอไปแต่กิเลสมาหุ้มห่อจิตเพราะฉะนั้นจิตจึงมืดจึ ง, งโง่เราจึงควรระวังให้ดีตรงที่ความเห็นแก่ตัวนี้ ว่ามันกำลังหุ้มหอจิตอยู่หรือไม่แม้ตัวเราขณะที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่นี้จิตว่างมันหมายความว่าขณะนั้นจิตไม่มีความเห็นแก่ตัวแต่มีสติปัญญาอย่างยิ่งมันจึงทำอะไรได้ถูกต้อง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 ชีวิตอยู่รอดด้วยดีเพราะไม่ยึดมัน่นเป็นอยู่อย่างจิตว่างขอให้สนใจคำว่าจิตว่างนี้ไว้ให้มากในลักษณะที่มันตรงกันข้ามกับจิตวุ่นและให้รู้ความจริงไว้อย่างหนึ่งว่าคนรานี้รอชีวิตอยู่ได้ด้วยจิตว่างถ้าไม่อย่างนั้นเราจะต้องตายหมดแล้วไม่ได้ไม่เห็นหน้ากันอยู่อย่างนี้เลย อธิบายว่าถ้าจิตของเราวุ่นด้วยเรื่องของตัวกูของกูไม่มีเวลาพักผ่อนแล้วเราต้องเป็นโรคจิตเป็นโรคประสาทหรือฆ่าตัวตายหรือว่าวิกลจริตไปเดี๋ยวนี้ในวันหนึ่ง24ชั่วโมงนี้มีอยู่ไม่กี่นาทีที่จิตของเราวุ่นไปบ้างธรรมดาจิตว่างอยู่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไร ว่าเป็นตัวกูว่าของกูอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกตลอด24ชั่วโมงเราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะต้องเป็นบ้าตายไปนานแล้วตัวอย่างเช่นเรามีสิ่งนี้เป็นของรักที่สุดของเราก็ยึดถือว่าเป็นของเราเพียงชั่วเวลาที่ไป น, นึกถึงมันเท่านั้นนอกนั้นแล้วก็ไม่ได้มีอยู่หรือไม่ได้ยึดถืออยู่เลยแม้จะเป็นของรักที่สุด สมมติว่าเป็นชั้นยอดชั้นเลิศของคนหนุ่มคนสาวซึ่งจะถือว่าเป็นของรักที่สุดก็ตามเถอะจะรู้สึกว่านั่นเป็นของเราช่วเวลาที่เราไปนึกถึงมันเท่านั้นเวลาที่ลืมไม่นึกถึงมันมีอยู่มากกว่ามากนักเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เป็นบ้าถ้าความกลายกลุ้มว่าของกูนี้มีอยู่ตลอด24ชั่วโมงทุกลมหายใจเข้าออกแล้ว ภายในสองสาวันจะต้องเป็นบ้าภายในสองสามอาทิตย์จะต้องตายนี่ถือว่าความว่างหรือจิตที่ว่างไม่ยึดถืออะไรว่าเป็นเราเป็นของของเรานั่นเป็นพื้นฐานส่วนจิตวุ่นนั้นมาเป็นพักๆแต่สำหรับบางคนนั้นอาจจะมาหลายนาทีหลายชั่วโมงก็ได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งเราจึงควรขอบใจมันขอบใจจิตที่ว่าง ความว่างจะช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตเราไว้ได้เราจึงอยู่กันได้ไม่ตายแล้วเราทำอะไรได้ดีที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นขอให้สนใจจะยกตัวอย่างให้ฟังอีกเหมือนอย่างว่านักศึกษาจะคิดนึกข้อศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาสอบไล่นั้นต้องตั้งตนคิดมันด้วยจิตว่าง ไม่ใช่ด้วยจิตวุ่นคนที่สะเพร่ามองดูอะไรหยาบๆจะแย้งว่าต้องทำด้วยจิตวุ่นแต่ที่ถูกนั้นต้องทำด้วยจิตว่างและความจริงก็ทำด้วยจิตว่างแต่ตัวเองไม่รู้สึกที่เรียกว่าจิตวุ่นนั้นหมายความว่านึกถึงแต่เรื่องตัวกูของกูถ้าจิตว่างแล้วไม่มีความนึกอย่างนั้น เมื่อเราคิดจะทำเลขอย่างยากๆหรือตอบปัญหายากๆในเวลาสอบไล่โดยเฉพาะอย่างนี้เราต้องลืมตัวกูของกูลืมอะไรหมดเช่นว่าเราจะไม่กลัวว่าตัวกูจะสอบไล่ตกหรือตัวกูจะสอบไล่ได้แล้วก็จะดีจะเด่นและไม่นึกถึงเรื่องรักเรื่องใครอะไรของกูที่ไหนที่อะไรหมดแม้แต่บิดามารดาหรืออะไรก็ตามจะต้องเหลืออยู่แต่จิตที่ว่างจากตัวกู มีอยู่ก็แต่สติปัญญานี้สติปัญญานี้มันเป็นอิสระและมันไม่ได้ถูกหุ้มห่อด้วยความวุ่นว่าตัวกูของกูซึ่งทำให้กลัวบ้างทำให้รักบ้างทำให้ประมาบ้างทำให้หลังเลบ้างเหล่านี้ออกไปหมดไม่มีเรื่องที่จะกลัวหรือมีเรื่องอะไรสติปัญญาก็จะเป็นที่เฉียบแหลมที่สุด เราจะคิดปัญหาหรือตอบปัญหานั้นได้ดีที่สุดนี้เรียกว่าเราสอบไล่ทําได้ด้วยจิตว่างไม่ใช่จิตวุ่นและมีความเป็นสมาธิที่ถูกต้องนั่นคือจิตว่างอย่าเข้าใจผิดว่าเราต้องเห็นกก่ตัวจัดมันจึงจะมีสมาธิแรงอย่างนี้เป็นคําพูดของคนที่ไม่รู้ความมุ่งมั่นจะเอาให้สําเร็จ ที่เรียกว่าแอ b i ิชันนั้นเข้าใจให้ดีๆมันมีอยู่ถึงสองประเภทคือแอ b i ิชันด้วยจิตวุ่นก็ได้แอ b บิชันด้วยจิตว่างก็ได้แอมบิชันด้วยจิตวุ่นนี้จะสายจะสันจะประมาจะอะไรไปหมดและจะทำไม่ได้ดีแอ b บิชันด้วยจิตว่างนี้จะวิเศษเหมือนปาฏิหารเพราะว่าแอมบิ i ันด้วยจิตวุ่นนั้นคือกิเลสตัณหา อะไรต่างๆนานาเข้ามารวมอยู่ด้วยมันจึงเป็นจิตวุ่นและทีนี้แม้จะมีอมนบิชั่นอย่างสูงมุ่งมันอย่างไรเท่าไรมันก็มีแต่ทรายแต่สันเท่านั้นเราเอาตัวกูของกูออกไปเอากิเลตันหาออกไปเหลือแต่สติปัญญาเป็นจิตว่างจากตัวกูของกูแล้วอมนบิชั่นนั้นจะสายแจ๋วกระจ่างมีกาลังมากแอคทีฟ ย, ยิ่ง มันจึงทำอะไรได้ดีขอให้เข้าใจคำว่าสมาธิที่จะเอามาใช้ในการศึกษาหรือในการสอบไล่หรือในการคิดอะไรต่างๆนี้ต้องเป็นอมพิชชั่นของจิตว่างไม่ใช่ของจิตวุ่นขอยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งว่าเช่นจะยิงปืนพวกทหารจะยิงปืนนี้เขาต้องยิงด้วยจิตว่าง ไม่ใช่ยิงด้วยจิตวุ่นทีแรกอาจจะต้องมีเจตนาว่าจะต้องยิงเพื่ออย่างนั้นอย่างนี้ก็ตามแต่พอเขาจับปืนมาเล็งอย่างเป้าหมายแล้วเขาลืมหมดต้องใช้จิตว่างเหลืออยู่แต่สติปัญญาที่จะยิงไปตามวิธีที่ต้องการจะยิงส่วนที่ไปห่วงว่าถ้ายิงผิดแล้วเพื่อนจะหัวเราะหรือว่าพอยิงถูกแล้วเขาจะตบมือกันกราวใหญ่ หรือว่าจะได้รับอย่างนั้นอย่างนี้จะเสียอย่างนั้นอย่างนี้ต้องไม่มีเข้ามาเพราะนั่นคือลักษณะของตัวกูหรือของกูที่เข้ามาทำให้จิตวุ่นไม่ว่างจะทำให้มือสั่นบ้างใจจะสั่นก่อนแล้วมือจะสั่นบ้างแล้วมันก็จะยิงผิดหมดการฝึกอย่างมีจิตว่างเราจะฝึกอย่างแบบสมาธิวิปัสสนาอะไรมาก่อนก็ตาม เราต้องรู้จักขจัดความวุ่นว่าตัวกูของกูออกไปให้หมดเป็นจิตว่างอย่างนี้แล้วจะยิงปืนถูกเหมือนกับปาฏิหารในประเทศญี่ปุ่นเขาสอนเรื่องทาจิตว่างแล้วก็ยิงสอนประกวดกันอย่างนี้เขาสอนกันมาตั้งเจ็ดถึง8ปดปีนักยิงที่มีจิตว่างแล้วนั้น ยิงซ้อนทุกเป้าขนาดเส้นขนเส้นผมได้เหมือนกับปาฏิหารเพราะฝึกสมาธิตามแบบนิกายเซนเพื่อทําจิตว่างนักยิงซ้อนเหล่านั้นจึงยิงปืนแม่นอย่างปาฏิหารนี่ขอให้เข้าใจว่าสิ่งที่ทําไปด้วยจิตว่างนั้นมันจะวิเศษอย่างนี้หรือสมมุติว่าจะจัดดอกไม้ปักใจกัน คนที่มีจิตวุ่นก็เสียบใส่เสียบใส่เสร็จแล้วดอกไม้นั้นมันก็มีลักษณะของจิตวุ่นแสดงให้คนที่ฉลาดเห็นได้เสมอครูอาจารย์ที่เขามีความรู้มีวิชานี้เขาจะเห็นใจการอันนี้เสียบด้วยคนมีจิตวุ่นถ้าเราทำจิตให้ว่างก่อนแล้วเสียบลงไปมันจะมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งซึ่งแสดงความหมายลึกซึ้งตามแบบของจิตที่บริสุทธิ์อย่างนี้เป็นต้น แม้แต่ศิลปะก็ยังต้องการจิตว่างอย่าว่าแต่เรื่องอาชีพเรื่องอาชีพก็ต้องการจิตว่างจะเข้าใจคำว่าจิตว่างจิตวุ่นในเรื่องอาชีพได้อย่างไรขอให้ดูที่คนเจาเรือจ้างคนเจาเรือจ้างขณะหนึ่งหนึ่งนั้นเขาเจาเรือทวนน้ำทวนลมทวนฝนตกแดดออกกลางแดดนี้ก็เจาไปได้สนุกสนาน ปากร้องเพลงไปพลางจเจ้าเฉิบเฉิบไปได้ไม่มีความทุกข์เลยเพราะจิตมันว่างจากตัวกูของกูกำลังว่างจากความรู้สึกว่าตัวกูหรือของกูหรือความเห็นแก่ตัวกูพอสักประเดี๋ยวคนนั้นเองไม่ต้องคนอื่นจิตมันเกิดวุ่นขึ้นมามันนึกถึงโชควาสนาของกูลูกเมียของกูครอบครัวของกูล้วนแต่ลำบากยากจน ไม่มีใครเห็นอกเห็นใจพวกในทุนทารนณอย่างน้อนอย่างนี้พอจิตวุ่นอย่างนี้แล้วมันก็ร้องเพลงไม่ออกก็ทนเจ้าเรือไปเหมือนตกนรกทั้งเป็นน้ำมูกน้ำตาไหลไปเลยร้องเพลงไม่ได้นี้เมื่อจิตวุ่นมันเป็นอย่างนี้เราจึงกล่าวได้อย่างชนิดที่ไม่ต้องกลัวผิดและควรจำอย่างยิ่งว่า เมื่อจิตว่างนี้ทำงานสนุกเมื่อจิตวุ่นแล้วการงานเป็นทุกข์จะเป็นการงานการเล่าเรียนหรือการงานอาชีพอะไรก็ตามถ้าจิตว่างแล้วไปกลวยท้องร่องที่มีโคลนเหม็นๆก็ยังสนุกถ้าจิตวุ่นแล้วให้ทำงานเบาๆในห้องปรับอากาศเย็นก็ยังเป็นทุกข์ยังวุ่นวายใจอยู่นั่นเอง ถ้ารู้จักทำให้จิตว่างแล้วงานจะสนุกไปหมดไม่ว่างานกรรมกรกสิกรทุกอย่างตลอดจนงานออฟฟิศจะสนุกไปหมดเมื่อจิตว่างแล้วมันจะเป็นเหมือนตกนรกไปหมดเมื่อจิตวุ่นแม้แต่งงานของพวกเทวดาในสวรรค์ก็เป็นอย่างนั้น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 ยายกระตากับน้ำมันผีนิทานมีว่ายายกระตาสองผัวเมียอยู่กันมานานแล้วแต่ว่ามันตรงกันข้ามหมดโดยที่ยายนี้เป็นคนหัวดือ้อมีลักษณะอย่างไอออสนั้นตาว่าอย่างไรแกก็ต้องว่าไปเสียอีกอย่างหนึ่งให้มันตรงกันข้ามเป็นคอนทราสต์กันยิ่ ง, ยงอยู่เรื่อยอย่างนี้พอ น, นักเข้าตาคิดว่า ทนไม่ไหวแล้วต้องบริจาคคุณยายหมายความว่าทำให้ไปเส้อให้พ้นก็ง่ายนิดเดียวเพราะยายแกเป็นคนหัวดือ้อบอกว่าวันนี้อย่าไปป่าเลยยายก็พูดว่าจะไปไปแล้วก็อย่าไปใกล้เหวนะกูจะยิงไปอย่าทูลหินหนักเข้าไปนะกูก็จะยิงทูลก้อนเบอ้อมันก็เลยแสลงไปในเหว เรื่องมีต่อไปว่าในเหวนั้นมีปีศาจคือผีอยู่โดยถูกสาบไว้ว่าถ้าไม่มีคนหัวดือ้อลงไปแทนแล้วผีนี้จะไม่มีโอกาสขึ้นมาวันนี้มีคนหัวดื้อลงไปแทนผีมันก็ขึ้นมาได้มันก็ขึ้นมาเจอกับตากุย ก, กันก็เลยรู้เรื่องว่าตานี้เองทําให้ยายคนนี้ตกลงไปเหมือนกับเป็นผู้โปลดผีให้ขึ้นมาได้ผีจึงยอมรับว่าตามีบุญคุณ ตรงนี้ขอให้จำไว้หน่อยว่าแม้แต่ผีก็ยังรู้สึกว่าใครมีบุญคุณทีนี้ก็เลยสัญญากันว่าถ้าอย่างนั้นผีจะต้องอยู่ส่วนผีอย่าไปยุ่งกับมนุษย์นักผีก็ยอมรับว่าจะทําอย่างนั้นแล้วก็จากกันไปฝ่ายผีนั้นขึ้นชื่อว่าผีมันก็อดที่จะหลอกไม่ได้คืออดจะโกหกไม่ได้เราอย่าเอาอย่างผีในข้อนี้ด้วย ผีนั่นมันก็เที่ยวหลอกคือสิงคนเข้าเป็นครั้งแรกในโลกคําว่าครั้งแรกในโลกมันมีความหมายเพราะก่อนนี้ไม่มีคนถูกผีสิงในโลกเดี๋ยวนี้มันเกิดมีแล้วมันก็เลยวุ่นวายกันใหญ่เอะอโกลาหนวุ่นวายกันทั้งเมืองเพราะเป็นครั้งแรกที่คนถูกผีสิงจนรู้ไปถึงตาแม้บ้านอยู่ไกลกันก็ยังวิ่งมาดู ทีเห็นตาเดินมาต่ไกลมันก็กลัวเพราะมันผิดสัญญาเหมือนกับคนทาผิดเห็นตํารวจมาก็ไม่ได้คิดอะไรนอกจากหนีท่าเดียวเท่านั้นมันเป็นความเขลาชนิดหนึ่งมันจึงออกวิ่งทงทงให้ตาเห็นนอกจากคนที่ถูกสิงไม่เห็นตาเห็นผีตัวนี้ที่ผิดสัญญาจึงเอาไม้ไล่ตีผีหนีไปไม่เท่าไหร่ก็ลม้มลงฟาดภูเขาศรีรษะแตก น้ำมันผีกระจายไปทั่วโลกลองคิดดูน้ำมันผีจะมีฤทธิ์อย่างไรบ้างมันกระเด็นไปที่ตรงไหนมันก็เกิดเป็นสิ่งร้ายกาจขึ้นที่นั่นคือเป็นของเสพติดมันลงไปในสิ่งที่เรียกว่าเป็นของเสพติดทั้งนั้นเช่นลงไปในสถานการพนันหรือว่าวัตถุ ก, การพนันในถั่วในโปนี้มันละได้แสนยากแม้จะมีสนามม้าทให้คนชิบหายเท่าไหร่ ก็ยังมีคนเล่นเพราะว่าน้ํามันผีก้อนใหญ่ๆมันกระเด็นไปตกที่นั่นที่นี้อีกที่หนึ่งก็เรื่องของเสพติดเช่นสุรายาฟินมันก็มีน้ํามันชิ้นใหญ่ๆลงไปอยู่ในนั้นมันจึงละได้แสนยากทั้งที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นอบายมุข ป, ปากประตูแห่งความชิบหายก็ไม่มีใครยอมรับกระทั่งของเสพติดน้อย มาได้บุหรีน้ำชากาแฟกระทั่งเนตบันมากของคุณยายนี้ก็ละได้ง่ายๆเมื่อไรลองคิดดูที่นี้สิ่งที่ยั่วยวนต่างๆสวยงามสนุกสนานทางวัตถุทางเนื้อทางหนังนี้เมื่อน้ำมันผีลงมันก็เหมือนอย่างที่ได้บอกว่านักเรียนบางคนต้องเอาปากกาปลอกทองไปขายไปซื้อพวงมาลัยมารามวงบ้างเอาไปให้ครูสอนเต้นรำบ้าง และบอกที่บ้านว่ามันหายขอเงินไปซื้อที่เราเลวมาใช้อย่างนี้มันเป็นได้ถึงขนาดนี้นี้เพื่อแสดงถึงน้ำหนักว่าบิดามารดายิางถูกต้มถูกลวงก็เพราะอานาจของน้ำมันผียังมีลทัทธิที่เรียกว่าด็อกมันทีซึมอะไรก็ตามคือลทัทธิถือหลักตนเองการคิดว่าความเห็นของตนเองถูกต้องการถือตลักโดยไม่ดูความจริง หรือลัทธิการเมืองอย่างนั้นอย่างนี้หรือลัทธิคลึกระงมงายแบบ โ, รโบราณที่เคยเชื่อถือมาเป็นเรื่องศิยศาสตร์ไรเหตุผลก็เพราะน้ํามันผีอย่างนี้มันเหนียวแน่นเท่าไหร่ลองคิดดูคนบางคนยังต้องเสกน้ําล้างหน้าอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ด้วยคิดว่ามันจะช่วยให้ปลอดภัยช่วยให้เป็นอะไรได้หรือลัทธิการเมือง ที่ไม่เป็นที่ปรารถนายิ่งยิ่งนี้ก็ยังมีคนหลงติดถึงกับเสียสละชีวิตบูชาอุดมคติบ้าบ้าบาบอนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าน้ำมันผีที่มันกระเด็นไปตกนั้นก้อนมันใหญ่เกินไปรวมความว่าเมื่อก่อนนี้เราไม่มีสิ่งซึ่งเป็นอันตรายของสังคมอย่างนี้เราจึงอยู่กันด้วยความพาสุขแต่พอต่อมาเดี๋ยวนี้มันเหลือที่จะกล่าวได้ว่า มันวุ่นวายกันเท่าไรและมันมาเป็นเพราะเหตุใดมันมาเพราะความเป็นไอออเพราะคุณยายหัวดือ้อใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นก็ลองคิดดูว่าถ้าเรายังคงปล่อยตัวให้เป็นไอออแล้วละก็มันจะต้องมีผีขึ้นมาจากบาดาลนั้นเรื่อยแล้วมารบกวนมนุษย์อยู่เรื่อยเมื่อก่อนนี้ผีไม่มีในโลกเพิ่งมีเมื่อเกิดความดื้อขึ้นมา ดื้ถึงขนาดทำลายสถาบันบิดามารดาทำลายสถาบันครูบาอาจารย์ทำลายสถาบันประเทศชาติทำลายสถาบันมนุษย์หรือมนุษยชาติหรือโลกนี้ในโลกจึงเต็มไปหมดแต่สิ่งที่จะดึงพวกเรานี้ลงไปสู่ทางต่ำแล้วก็ดึงพวกตัวเล็กๆตัวเล็กๆ ก, ก็ตายอย่างไอออสที่ยังอยู่ในน้ำตัวโตตก็ตายโดยไม่มีประโยชน์อะไรนี้เรียกว่า อุปสรรคกล่าวคือการบังคับตัวเองไม่ได้เป็นแต่แก่ตัวเองอยู่เรื่อยชาดกเรื่องลิงพระโพธิสัตว์ยังมีชาดกที่เป็นพระบาลีอีกเรื่องหนึ่งว่าลิงพระโพธิสัตว์จากฝูงถูกนำมาเลี้ยงไว้ในวัง โดยพระราชาที่ชอบเลี้ยงสัตว์วันหนึ่งเมื่อเบื่อเขาปล่อยไปลิงในฝูงนั้นก็กลับไปที่เดิมลูกฝูงเยอะแยะนั้นก็วิ่งมาหาแล้วก็ถามว่าไปอยู่ในวังมานานในวังมีอะไรที่น่าดูลิงในฝูงไม่อยากเล่าแต่ทนอ้อนวอนของพวกบริวารไม่ได้ก็กล่าวเป็นคถาว่าอิรันยังเมสุวรรณนางเมเอสารัตติงท่วาคถา หมายความว่าฉันได้ยินแต่ว่าเงินของกูทองของกูลูกของกูผัวของกูและอื่นๆอย่างนี้เรื่อยไปทั้งวันทั้งคืนนั่นหละฝ่ายบริวารพอฟังแล้วก็วิ่งไปหมดไปล้างหูที่ลำธารเพราะว่าได้ยินสิ่งสกปรกเป็นครั้งแรกในชีวิตที่นี้ที่นี่หรือที่ไหนมันมีว่าเงินของกูทองของกูลูกของกูผัวของกูหรือเปล่า เมื่อความเห็นแกนตัวจัดอย่างนี้มีอยู่อย่างนี้แล้วก็มันหมายความว่าหมดความหวังในสันติภาพถาวรแต่จะมีวิกฤตการถาวรทั้งทางกายและทางใจเพราะฉะนั้นจึงพูดง่ายๆกันลืมที่สุดว่ามันเป็นเพราะน้ำมันผีเรื่องน้ำมันผีนี่เล่าครั้งเดียวคงจำได้กันตลอดชีวิตนี่คืออนิสง์ของชาดกหรือนิทานซึ่งเป็นเหมือนกับภาชนะ มันเป็นอย่างนี้ทีนี้จะเอาสบู่อะไรมาล้างลองคิดดูว่าไม่มีอะไรจะล้างน้ำมันผีเหล่านี้ไปได้ในที่สุดเราก็ต้องหันหน้าเข้าไปหาพระพุทธเจ้าทุกคนเดินแถวบากหน้าเข้าไปหาพระพุทธเจ้าไปขอสบู่จากพระพุทธเจ้าคือธรรมะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ควรสนใจที่สุดก็คือสบู่ที่เรียกว่าขารวสาสธรรม แปลว่าธรรมะสำหรับคารวาสนี่จาเป็นก่อนเพราะพวกเรากำลังพูดกันในเรื่องของคารวาสธรรมะประจำชีวิตพึงใช้คารวาสธรรมคารวาสธรรมนี้มีอยู่สีข้อโปรดจำไว้ให้ดีว่าสัจจะ ความจริงใจอย่างหนึ่งธรรมะการบังคับตัวเองอย่างหนึ่งขันติความอดกลั้นอดทนนี้อย่างหนึ่งแล้วก็จา่าคะความสละออกไปนี้อย่างหนึ่งข้อหนึ่งสัจจะความจริงหมายถึงจริงใจต้องให้จริงต่อตัวเองคือต่อความเป็นมนุษย์ซื่อตรงต่อความเป็นมนุษย์เสียก่อน ยอมรับความเป็นมนุษย์ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานเสียก่อนไอ้ซื่อตรงต่อความเป็นมนุษย์ของเราเองนี่เสียก่อนรักษาสถาบันของมนุษย์ไว้อย่าให้มันสูญเสียไปจนเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วมันก็จะจริงต่อผู้อื่นจริงต่อเวลาจริงต่อหน้าที่การงานจริงต่ออุดมคติทุกชนิดที่เราหวังและจริงต่อประเทศชาติอะไรนี้ถ้ามันขาดความจริงต่อตัวเอง คือต่ออุดมคติความเป็นมนุษย์แล้วจะจริงดีไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องจริงตั้งแต่จริงต่อตัวเองว่าเป็นมนุษย์และจะต้องเข้าถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะเข้าถึงให้ได้จึงจะเรียกว่ามีสัจจะอย่างนักศึกษาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้มีอุดมคติอย่างไรต้องจริงจนใหถึงอุดมคตินั้นให้ได้ มีฉะนั้นจะเป็นการจับบิดามารดาใส่ลงไปในนรกโดยไม่มีทางเป็นอย่างอื่นทีนี้เมื่อจะต้องการประพฤติทำข้อไหนแม้จะทำให้ใจมีจิตว่างไม่วุ่นก็ต้องจริงต้องมองเห็นอุดมคติของจิตว่างและอุทิศการประพฤติกระทำให้มีจิตสูงว่างแล้วก็ทำให้จริงอย่างวิเศษไปหมดอย่างนี้เรียกว่าความจริงใจ ข้ อ, อธ ร, รมะทำไมต้องมีข้อที่สองที่เรียกว่าธ ร, รมะคือการบังคับตัวเองนี้ก็เพราะว่าความจริงใจนี้ถ้าเราไม่ควบคุมบังคับไว้เดี๋ยวมันถลที่แรกตั้งใจว่าจะทำจริงสัญญาสาบานด้วยซ้าไปแต่แล้เมื่อไม่มีการบังคับตัวเองแล้วมันก็ถลหยมันเปลี่ยนเป็นไม่จริงเพราะฉะนั้น มันต้องมีการบังคับตัวเองควบคุมตัวเองรักษาอุดมคตินิไว้ให้ได้ซึ่งเรียกว่าธรรมะยอมทนบังคับตัวเองให้ได้ทีนี้การบังคับตัวเองนี้ใครๆก็ต้องมองเห็นได้ว่ามันต้องมีการเจ็บป่วยขึ้นเป็นธรรมดาเพราะบังคับไม่ตามใจมันแล้วเราบังคับความรู้สึกไฟต่ำไม่ให้เกิดขึ้นมันก็ต้องทนทนไม่ไปทำอบายมุข ทนไม่กินเหล้าทนไม่เล่นการพ น, นันทนไม่ทําอะไรอย่างอ้ายออดนี่มันรู้สึกไม่สนุกทั้งนั้นเราเรายังต้องมีธรรมะข้ออื่นคือความอดทนด้วยข้อสความอดทนคือขันตินี้คือรอได้คอยได้จนกว่าผลจะมาถึงถ้าไม่ทน ก็ไม่เย็นอย่างที่ทนมาจนสอบปริญญาได้มันคงเลิกไปทำอื่นเสียแล้วนี่เราทนกันมาได้สี่ปีหกปีก็ทนได้เราจึงประสบความสำเร็จแต่พระพุทธเจ้าท่านฉลาดกว่าพวกเรามากท่านไม่ปล่อยให้พวกเราต้องทนจนระเบิดท่านมีวิธีรู้จักระบายออกอยู่เรื่อยเพื่อจะได้ให้ไม่ต้องทนมากนี้ท่านเรียกว่าจ่าคา ซึ่งเป็นธรรมะข้อต่อไปข้อสี่จาคะแปล ว, ว่าสละสละอะไรก็สละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตัวเราเช่นความขี้เหนียวเราต้องสละออกไปเป็นการให้ทานที่เรียกว่าให้ทานนั้นถ้าเป็นเรื่องถูกต้องแท้จริงมันต้องสละออกไป เช่นให้ทานไปบาทหนึ่งก็สละความขี้เหนียวไปบาทหนึ่งแล้วอย่าหวังเอากลับมามันจึงจะเป็นการสละแต่ทีนี้คนโดยมากให้ทานไปบาทหนึ่งตายแล้วยังจะเอาวิมานสักหลังอย่างเนี้ยมันไม่ใช่สละมันใช้ไม่ได้อย่าไปเอาอย่างเขาคำว่าสละนี่คือสละกิเลสชนิดไหนก็ตามที่มีควรมีอยู่ในใจในเวลานี้ ต้องสละออกไปสละออกไปเป็นการระบายออกอย่าให้อัดอยู่มากจนทนไม่ไหวแล้วระเบิดเพราะฉะนั้นการอดทนตามแบบของพระพุทธเจ้านี้จึงไม่มีความเจ็บปวดทนทรมานเมื่อเราอาศัยหลักของท่านแล้วจะประสบความสำเร็จทุกอย่างไม่ว่าเราจะต้องการทำอะไรเราจะต้องมีความจริงใจในเรื่องนั้นก่อนแล้วเราบังคับตัวเอง ให้เป็นไปตามอุดมคติแล้วเราทนได้คอยได้รอได้แล้วพร้อมกันนั้นเราระบายสิ่งที่มันจะเป็นค่าศึกศัตรูที่มันจะอาจตัวมากเข้าสละออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยแต่เราก็ไม่ต้องทนจนเกินทนนี้จะเป็นเหตุให้เราประหยัดสิ่งต่างๆได้มีสันโดษในสิ่งต่างๆได้ทำอะไรได้สำเร็จในทางที่น่าชื่นใจ